ภูมิที่แตกต่างกันของพระอระหันต์วิถีทางดําเนินจิตนี้ก็มีละเอียดมีหยาบกว่ากันพระอระหันต์บางท่านบําเพ็ญสมถะมาจนกระทั่งจิตสงบละเอียดแล้วจึงมาเจริญวิปัสสนาแต่บางท่านเจริญวิปัสสนาลุ้นล้วนพวกเจริญวิปัสสนาล้วนนี่จิตไม่สงบละเอียดลึกซึ้งอาจจะเพียงแต่ว่า ฝึกสติให้รู้อยู่กับเรื่องชีวิตประจำวันตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดกินโอกาสที่จิตจะเข้าฌานลึกๆไม่มีเพราะความสำเร็จอราหารนันนี่ตอนที่จิตอยู่ในสมาธิลึกๆไม่สำเร็จจะสำเร็จเมื่อจิตถอนออกมาอยู่ตื้นๆสมาธิขั้นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิ เช่นอย่างพระอนนท์บำเพ็ญเพียรมาจนกระทั่งหนักหนาจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยพอมานึกว่าเราเหน็ดเหนื่อยเต็มที่แล้วจะพักผ่อนเสียหน่อยพอเอ็งกายลงไปครึ่งนอนครึ่งนั่งไม่ได้ตั้งใจจะ ก, กำหนดจิตเข้าสมาธิเลยพอจิตววบไปนิดหนึ่งขณะจิตเดียวเท่านั้นได้สําเร็จพระอหรหันต์เพราะฉะนั้น ภูมิจิตภูมิใจภูมิญาณภูมิฌานอะไรต่างๆนี่จึงได้แตกต่างกันบางท่านก็สําเร็จวิชาสามบางท่านก็สําเร็จปฏิสัมพิทาสี่บางท่านก็สําเร็จอิทธิฤทธิหกหรืออภิญญาหกอะไรทํำนองนั้นแต่ส่วนใหญ่พระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่จะสําเร็จได้เป็นบางอย่างเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้านี่สําเร็จได้หมดทุกอย่างปฏิสัมพิทาสี่วิชาสาม แล้วก็วิชา8ปดอภิญญาหกนี่พระพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบแต่พระอรหันต์สำเร็จได้เป็นบางอย่าง